บทภาชณีติกาปาจิตตีร้อยหกสิไม่เป็นไข่ภิกษุสําคัญว่าไม่เป็นไข่ออกปากขอโภชนะอันประนีตมาเพื่อตนแล้วฉันต้องอบัติปาจิตตีไม่เป็นไข่ภิกษุไม่แน่ใจออกปากขอโภชนาอันประนีตมาเพื่อตนแล้วฉันต้องอบัติปาจิตตีไม่เป็นไข่ภิกษุสําคัญว่าเป็นไข่ออกปากขอโภชนะอันประนีตมาเพื่อตนแล้วฉันต้องอบัติปาจิตตีทุกทุกกฏ เป็นไข้ภิกษุสําคัญว่าไม่เป็นไข้ต้องอบัตทุกกฎเป็นไข้ภิกษุไม่แน่ใจต้องอบัตทุ ก, กฎเป็นไข้ภิกษุสําคัญว่าเป็นไข้ไม่ต้องอบัต